เรื่องพระเจ้าวิถูรัตถะเวนย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวนแต่เวนระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนอเวเรณจะสั ม, มัญติจากที่คีติโกศัญชาดกพระไตรปิฎกเล่ม27พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีทรงปรารบพระเจ้าวิถูรัตถะ พร้อมทั้งบริษัทซึ่งถูกน้ำพัดท่วมไปให้สวรรคตพระกุมารสามพระองค์คือพระโอรสของพระเจ้ามหาโกศลแห่งกรุงสาวัตถีชื่อประเสริฐที่กุมารพระโอรสของเจ้าลชาวีแห่งกรุงเวสาลีชื่อมหาลิกุมารและพระโอรสของเจ้ามัลละแห่งนครกุสินาราชื่อพันธุละ เสด็จไปศึกษาศิลปะในสำนักที่สาปามโมกเป็นพระสหายกันร่วมศึกษาสำเร็จกราบลาอาจารย์พร้อมกันเสด็จออกไปสู่เมืองของตนประเสณที่กุมารได้รับอภิเศกกรองราชสมบัติกลุ่มสาวถีแควนโกสลพระนามว่าประเสณที่โกสลมหาลิกุมารมีพระเนตรแตกด้วยการแสดงศิลปะแก่เจ้าลิชวีทั้งหลาย ได้รับการบำรุงอยู่ด้านหนึ่งของพระนครซึ่งเก็บสวยได้ ว, วันละแสนแก่มหาลิกุมารและถวายศิลปะวิทยาให้แก่พระโอรสของเจ้าลิชวีทั้ง500องค์ฝ่ายพันธุลากุมารได้แสดงศิลปะด้วยการฟันไม้ไผ่หสลำที่ตั้งเอาไว้ด้วยการกระโดดไปในอากาศสูงถึง80สศอกขาดกระเด็นแต่ได้ยินเสียงดังกริ๊กของซีเหล็กในมาสุดท้าย เมื่อรู้ว่ามีซสี่เหล็กใส่ไม่ไผ่ทุกมัดจึงเสียใจว่าพระยาทั้งหลายคิดไม่ซื่อต่อพระองค์คิดจะฆ่าเจ้ามัลักษัตัิย์ทั้งหมดแล้วครองราชสมบัติแต่ถูกพระชนกชนนีห้ามไว้จึงขอไปอยู่สำนักของพระเจ้าเภเสณทิโกสลพระสหายรักพระเจ้าเะเสณทิทรงทราบทรงต้อนรับด้วยสั ก, การะใหญ่แล้วแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งเสนาบดี แล้วให้เชิญพระชนกชนนีมาพักอาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีนั้นนั่นแหละพระเจ้าปเปเสนธิส่งอุปถากบำรุงพระาศาสดาและเหล่าภิกษุทั้งหลายเนืองนิดและคิดใกล้เป็นพระญาใกล้ชิดคุ้นเคยกับพระาศาสดาจึงส่งสารไปขอธิดาเจ้าสักกายะเจ้าสักกายะมหานามะได้ให้ธิดาอันเกิดจากนางทาสีชื่อวาสภาคติยาผู้มีรูปงามเป็นเลิศแก่พระเจ้าปเปเสนธิโกศล พระเจ้าปเปเสนท่ส่งอภิเศกและแต่งตั้งพระนางวาสภาคัติยาไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีต่อมาไม่นานพระนางก็ประสูตริพระโอรสมีวันณะดังทองคำขนานพระนามว่าวิทูรัพถะพระโอรสวิธูรัพพะเมื่ออายุครบ16บหปีได้เสด็จไปเยี่ยมสัยสกยสกุลเมืองพระเจ้าตาแม้พระมารดาจะห้ามปรามก็ไม่ฟัง ประมาณดาจึงว่าถ้าเช่นนั้นก็ไปเถอะเจ้าสักยะให้พระกุมารที่เป็นน้องๆองของวิธุรภาคุมารออกเสด็จประพาสนอกเมืองและให้วิทุรภไคว่พระยาที่มีอายุสูงกว่าเท่านั้นทำความแปลกพระไทยให้วิทุรภาครั้งเสด็จกลับพร้อมด้วยบริวารมหาเล็กคนหนึ่งลืมอาวุธของตนไว้กลับไปเอาอาวุธได้ยินเสียงดาวิธุรภาคุมาร ว่าเป็นลูกของนางทาสีกับเท้ามหานามะมหาเล็กจึงนาความไปทูลแก่วิทูรภาคุมารทรงทราบทรงตรัสว่าเจ้าสักยะเหล่านั้นจงล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งด้วยน้ำและน้ำนมก่อนแต่ในการที่เราดำรงราชสมบัติแล้วเราจะเอาเลือดในลำคอของเจ้าสักยะเหล่านั้นล้างแผ่นกระดานที่เรานั่ง หลังจากลูกกลับมาแล้วเจ้าสกยะได้เอาน้ำนมไปล้างแผ่นกระดานที่ท่านนั่งแนวว่าเพื่อล้างเสนียดจันไรเพราะเป็นลูกของท่าตรั้นต่อมาพระราชาปเปเสนทิส่งพิโรธเจ้าสกยะวาาย่าได้ให้ทิดานางทาสีจึงรับสั่งให้ริบและถอดประยศแก่พระนางวาสภาคัติยาและโอรสหลดลงเหลือเพียงสิ่งของอันผู้เป็นทาตและทาสีพึงได้เท่านั้น ต่อมาอีกสามวันพระบรมศัสดาได้เสด็จไปทรงแสดงพระธรรมกถาตรัสว่าพระนางวาสภคัติยาเป็นธิดาของขัติยราชได้อภิเศกในพระราชมนเทียนทรงตรัสชาดกกัทหาริยชาดกซึ่งพระราชาคฐาหนะได้พระราชทานตำแหน่งอร拉มเหสีแก่หญิงหาฟืนและตำแหน่งพระราชโอรสแก่พระกุมารที่เกิดในท้องของพระนางนั้นทรงพระนามว่า กัตถวาหนราชาในพระนครพราราสีเมื่อพระราชาทรงสดับทราบว่าโคตฝ่ายบิดาเท่านั้นสำคัญจึงรับสั่งให้พระราชทานพระราชอิสริยยศตามเดิมแก่พระมารดาละบุตรนั้นจะกล่าวฝ่ายถึงพันธุระเสนาบดีมีพันยาชื่อมัลลิกาธิดาเจ้ามลกษัตริย์นครกุสินาราไม่มีบุตรสิ้นกาลนาน พันธุล่าเซนาบดีจึงให้จัดการส่งกลับตรกูลนางขอไปเฝ้าพระสัสดาก่อนครั้นไปเฝ้าแล้วพระสัสดาขอให้นางอยู่ก่อนต่อมาไม่นานนางก็ตั้งครรภ์เกิดแพ้ท้องอยากอาบและดื่มน้ำในสระบกรณีมงคลของกษัตริย์วชีในนครไผ่าลีพันธุล่าเซนาบดีถือธนูอันบุคคลพึงโกงด้วยเรยวแรงของโุดุพันหนึ่ง อุ้มนางขึ้นรถออกจากนครสาวัตถีขับลงสู่นครไพยสาลีโดยทางประตูที่เจ้าลิชวีให้แก่มหาลิลิชวีครั้นพอเสียงรถกระทบธรณีประตูมหาลิก็รู้ว่าเป็นเสียงรถของพันธุละจึงกล่าวว่าวันนี้ภัยจะเกิดแก่พวกเจ้าลิชวีฝ่ายพันธุลเสนาบดีลงจากรถเคียนราชบุดุษ ผู้รักษาสะบกกรณีด้วยหวายให้หนีไปแล้วตัดขายโลหะให้ภริยาอาบแล้วอุ้มนางขึ้นรถขับรถออกมาทางเดิมฝ่ายพวกเจ้ากษัตริย์ลิจวีกริว้วเสด็จขึ้นรถห้าร้อยคันขับตามเพื่อจักจับตัวเจ้ามัละชื่อพันธุละเจ้ามหาลิออกมาห้าไม่ให้เสด็จตามไปเพราะจะถูกพันธุละฆ่าทั้งหมดแต่เจ้าลิจวีทั้งหลายไม่ฟัง เจ้ามหาลิจึงตรัสสั่งว่าถ้ากระนั้นถ้าเห็นล้อรถของปันธุละจมดินถึงดุมให้รีบเสด็จกลับเมื่อไม่กลับถ้าได้ยินเสียงราวกับสายอสนีบาทข้างหน้าให้พึงเสด็จกลับเมื่อไม่กลับถ้าเห็นช่องในแอกรถของพวกท่านตรงกันทั้งห้าร้อยคันพึงกลับแต่ที่นั้นเทียวอย่าได้เสด็จไปข้างหน้าเป็นอันขาด เจ้าลิชวีเหล่านั้นไม่เสด็จกลับตามคำของเจ้ามหาลิพาการติดตามพันธุละเรื่อยไปครั้นพอพันธุละเห็นรถทั้งห้าร้อยคันปรากฏดุดเป็นคันเดียวกันจึงยืนโก่งธนูขึ้นล้อรถจมดินถึงดุมเจ้าลิชวีทั้งหลายก็ยังไม่เสด็จกลับพันธุละก็ดีดสายธนูเสียงดังประหนึ่งอสนีบาทเจ้าลิชวีทั้งหลายก็ยังไม่เสด็จกลับ พันธุละยืยนอยู่บนรถยิงลูกศรไปลูกหนึ่งแทงทะลุพระราชาทั้งห้าร้อยในที่ผูกเกราะแล้วจมลงในแผ่นดินเจ้าลิชวีเหล่านั้นไม่รู้ว่าตนถูกลูกศรพันธุละจึงว่าเฮ้ย hey, หยุดก่อนพวกท่านเป็นคนที่ตายแล้วการรบของข้าพเจ้ากับคนที่ตายแล้วย่อมไม่มีพวกท่านจงแก้เกราะของคนสุดท้ายดูพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นให้แก้เกราะแล้ว เจ้าิชวีองค์นั้นก็ล้มลงสิ้นชีพในขณะที่แก้นั่นเองพันธุละจึงว่าแม้พวกท่านทั้งหมดก็เหมือนกันจงรีไปสางเสียลูกเมียแล้วจึงค่อยแก้กรอออกเจ้าลิชวีเหล่านั้นกระทําอย่างนั้นทุกๆองค์ถึงชีพตักใสแล้วครั้นต่อมาเมื่อพันธุละพานางมาริกาามายังเมืองสาวัตถี นางคลอดบุตรเป็นคู่คู่ถึง16ครั้ง32คนแม้บุตรของนางทั้งหมดได้เป็นผู้กล้าวกล้าถึงพร้อมด้วยกำลังถึงความสำเร็จศิลปะวิทยาทั้งหมดคนหนึ่งหนึ่งได้มีบุรุษพันคนเป็นบริวารพระลานหลวงเต็มรึบด้วยบุตรเหล่านั้นซึ่งตามไปพระราชนิเวศกับบิดาอยู่มาวันหนึ่งรัศดรแพ้ความด้วยคดีโกงในการวินิจฉัย แจ้งความดำเนินคดีพวกอำมาิตผู้วินิจฉัยแก่พันธุลาเสนาบดีพันธุละจึงพิจารณาคดีให้ราษฎรผู้เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของทรัพย์นั้นมหาชนต่างสาธุการด้วยเสียงอันดังพระราชาทรงสดับตรัสถามทรงทราบเรื่องทรงโสมนัสถอดยศพวกอำมาิตโกงนั้นทั้งหมดทรงมอบมาให้พันธุละวินิจฉัยคดีแต่นั้นมา เหล่าพวกอมาตะโกงเมื่อถูกปลดก็แค้นเคืองอยุโยงในราชัระกูลว่าพันธุละปรารถนาเป็นพระราชาพระราชาทรงเชื่อคำของอมาตะเหล่านั้นจึงวางแผนฆ่าพันธุละให้ออกไปปราบโจรที่ปัจจันตะนครและวางแผนฆ่าพันธุละละบุตรทั้ง32คนสำเร็จ วันนั้นนางมัลลิกาได้นิมนต์พระอกราสาวกทั้งสองพร้อมทั้งภิกษุ5้าร้อยรับพัฒหารขณะสาวใช้ทำภาชนะตกแตกพระสาวรีบุตรดิกล่าวว่าสิ่งของมีอันแตกไปเป็นธรรมดาไม่ควรเก็บเอามาคิดพลันนางมัลลิกาได้นำเอานังสือออกมาจากชายพกพลางกล่าวว่าเขานำนังสือนี้มาให้ดิฉันเนื้อความว่า พวกโจรตัดศีรษะบิดาและบุตรสาสองคนแม้สดับว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่คิดเพียงถาดในสใสแตกจะคิดอย่างไรเล่าเจ้าข้าพระธรรมเสนาบดีซาบรีบุตรจึงกล่าวธรรมะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีนิมิตเครื่องหมายบอกใครๆก็รู้ไม่ได้ทั้งฝึกเคืองทั้งน้อยซ้ำประกอบด้วยทุก แสดงธรรมเสร็จแล้วลุกจากอาสนะกลับวิหารแล้วฝ่ายนางมาลิกาให้เรียกบุตรสพย32คนมาแล้วสั่งว่าสามีของเธอไม่มีความผิดอะไรได้รับผลของกรรมชาติก่อนของตนจงอย่าเศร้าโศกอย่าผูกใจแค้นฝ่ายพระราชาประเสเสถีทรงเศร้าสลดพระทยัยได้เสด็จไปเรือนของนางมาลิกา ขออดโทษนางและหญิงสะใภและพระราชทานพรนางมัลลิกาขอพอรขอทรงอนุ ญ, ญาตหม่อมชันและบุตรสะใภ้กลับเรือนแห่งตระกูลกรุงกุสินาราทรงอนุ ญ, ญาตได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่ทีฆาการยนะผู้เป็นหลานพันธุระเสนาบดีทีฆาการยนะได้กระทำให้วิทูรทัพพะเป็นพระราชา พระเจ้าประส e n ทิเสด็จไปกรุงราชคฤห์เพื่อจะขอความช่วยเหลือจากอาชาติศัตรูผู้เป็นหลานเมื่อประตูพระนครปิดแล้วในเวลาวิกาลบรรทมอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งทรงเหน็ดเหนื่อยและได้สวรรคตในที่นั้นเองพระเจ้าอาชาติศัตรูได้จัดพระราชพิธีพระบรมศพฝ่ายพระเจ้าวิถุรทพะ ขึ้นครองราชสมบัติแขวนโกสนแล้วได้ยกทัพออกไปสู่กรุงกบิลพั์หมายแก้แค้นแต่พระบรมศาสดาเสด็จไปห้ามถึงสามครั้งครั้งที่สมิได้เสด็จไปห้ามเพราะทรงไลเห็นบุพกรรมของเจ้าสกยะทั้งหลายในอดิตชาติหนึ่งร่วมกันโปรยยาพิษลงในแม่น้ำเป็นกรรมอันใครๆห้ามไม่ได้ พระเจ้าวิจุรัตภะรับสั่งให้ฆ่าเจ้าศักยะทั้งหลายไม่เว้นแม้ทารกยังดื่มนมยังแม่น้ำคือโลหิตให้ไหลไปแล้วรับสั่งให้ล้างแผ่นกระดานด้วยโลหิตในลำคอของเจ้าศักยะเหล่านั้นเว้นไว้แต่เจ้าศักยะยา่าคือคาบย่าอยู่เจ้าศักยะไม้อ่ผู้ถือไม้อ่เว้นไว้แต่พระเจ้ามหานามะพระเจ้าตาในที่นี้ท่านน่าจะแปลตรงศัพท์จากชื่อบาลีนะครับ รับสั่งให้เรียกพระเจ้าตามาร่วมโต๊เสวยแต่อันกษัตริ์ทั้งหลายถึงจะสละชีวิตก็จะไม่ยอมเสวยร่วมกับบุตรทาสีเท้ามหานามะจึงแรงว่ามีร่างกายสกปรกขออาบน้ำก่อนครันลงไปในสะดำลงไปในน้ำก็กดหัวแม่เท้าเข้าไปในมวยผมกดลงกับพื้นโคลนก้นสะน้ำด้วยเดชคุณของเท้ามหานามะ นาคภบพบก็แสดงอาการร้อนพญานาคได้ขึ้นมานำเอาเท้ามาหานามะไปสู่นาคภพอยู่ในที่นั้นแหละสิน้นสิบสองปีพระเจ้าวิธูรัตพะคิดว่าพระเจ้าตาคงหนีไปแล้วค้นหาไม่พบจึงได้ยกทัพกลับเสด็จถึงแม่น้ำอาจีรวดีในตอนกลางคืนรับสั่งให้ตั้งค่ายริมฝั่งแม่น้ำนั้นคืนนั้นฝนตกหนัก ห่วงน้ำหลากมาฉับพลันอย่างพระเจ้าวิทูรัตพะและบริวารให้ถึงมหาสมุทรได้เป็นเหยื่อแห่งปลาและเต่านั้นมหาชนเล่าลือโจทขานถึงเหตุการณ์ดังกล่าวหมู่ภิกษุต่างสนทนากันว่าเหตุแห่งพระเจ้าสักยะทั้งหลายไม่สมควรตายเหตุแห่งพระเจ้าวิทูรัตพะและบริวารสมควรตายดังนี้พระบรมศาสดาทรงสดับจึงตรัสว่า อันความตายอย่างนี้ไม่สมควรแก่เจ้าสักยะทั้งหลายในชาตินี้ก็จริงแต่ก็สมควรโดยแท้ด้วยสามารถแห่งความอลามกที่เขาได้ทำไว้แต่ปางก่อนที่ร่วมกันช่วยกันโปรยาพิษเบื่อปลาลงในแม่น้ำมัจจุราชย่อมพาหนรชนผู้มีใจคล่องอยู่ในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้แห่งอารมณ์อยู่เที่ยวไปเหมือนห้วงน้าใหญ่ พัดชาวบ้านอันหลับแล้วไปฉะนั้นอารมณ์เปรียบเหมือนดอกไม้อันไหนมาลาการเข้าสู่สวนดอกไม้ด้วยคิดว่าจะเก็บดอกไม้ทั้งหลายไม่ปรารถนากอนี้ปรารถนากอนั้นเราจะเก็บกอนี้ไม่เก็บกอนี้แล้วไปเก็บกออื่นอีกย่อมส่งใจไปที่อื่นเลือกอยู่ซึ่งกอไม้นั้นอยู่นั่นเอง ชื่อว่าย่อมถึงความประมาทชั้นใดคนก็ฉันนั้นเหมือนกันยังลงสู่ท่ากลางกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายได้รูปอันชอบใจแล้วก็ปรารถนาเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปอีกต่อไปอีกแม้ทรัพย์ที่มีวิญญาณกรองคือสวิญญาณทรัพย์เช่นช้างม้าโคกระบือทาสีทาสาเป็นต้น หรือทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณครองคืออวิญญาณักทัพย์เช่นเรือกสวนไรนาแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนเป็นต้นก็ในยะเดียวกันนั้นนั่นแหละแม้อาววาดวิหารปัจจัยบาจีวรของบรรพชิตก็ในยะเดียวกันนั้นนั่นแหละเมื่อมีใจคล่องอยู่ในกามคุณอันถึงพร้อมแล้วชื่อว่ากาลังเลือกเก็บดอกไม้ชื่อว่ายังประมาทอยู่ ผู้ประมาทมัดจุย่อมพาไปดุดพ่วงน้ำใหญ่พัดพานรชนผู้หลับอยู่ให้ถึงมหาสมุทรคืออบายทำให้เป็นอาหารของปลาและเต่าชั้นใดก็ชันนั้นนั่นแหลครันจบเทสนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลมีโสดาปติผลเป็นต้น